ทีนี้เลยไปหาวิจิกิจฉานะครับได้แก่ความสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงไหมมีวิชาจารณะอย่างที่ว่าจริงหรือนะครับเสรจไปดีแล้วจริงหรือเปล่านะครับรู้โลกจริงไหมยอย่างเงี้ยนะสงสัยลักษณะนี้นะครับเรียกว่าวิจิกิจฉาหรือว่าสงสัยว่าเอ๊พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะ องตรัสไว้ดีแล้วจริงๆสามารถที่จะช่วยผู้ศึกษาและปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกจริงหรือเปล่าอะภาษาโกทั้งหลายที่บอกปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยปฏิบัติตรงจริงๆปฏิบัติเพื่อรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับลักษณะนี้เรียกว่าวิจิกิจชาสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในคุณของพระธรรมสงสัยในคุณของพระสงฆ์ดีไม่ดีสงสัยในคุณของศีลเอ้ศีลเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสิกขาทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือใช่ไหมวิจิกิจฉาก็จะเกิดขึ้นนะครับผู้ศึกษาเพิ่งทราบความพิสดารของวิจิกิจฉานั้นโดยในเป็นต้นว่าย่อมสงสัยคือเคลือบแคลงใจได้แก่ไม่น้อมใจเชื่อหมายคำว่าไม่เลื่อมใสในภาษาสดาดังนี้นะครับไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในศิกษาเป็นต้นนั่นเอง และโดยในเป็นต้นว่าบรรดานิวรนเหล่านั้นวิจิกิชานิวรนเนี่ยคืออะไรคือความตังขาสงสัยนะนะความกินแหนงภาวะของผู้กินแหนงความเคลือบแคลงความแคลงใจความสองเงื่อนทางสองแพร่งนะครับเหมือนคนเดินไปเตอทางสองแพร่งเห็นไหมไยังไงกันแน่นะครับความสงสัยความยึดถือลาอย่างความสับสน ความกระเสือกกระสนความยึดถือไม่รอบคอบความสะดุ้งแห่งจิตรอยขีดเขียนในใจนะครับมันกังวลไปหมดเลยนะันนี้ลักษณะอย่างว่าเนี่ยคือวิจิกิจฉานะครับสงสัยและในที่นี้พระองค์นี้ทรงประสงค์เอาขม่มอภิชาและพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งการพ ร, รากออกไปและด้วยอำนาจแห่งการละอภิชาและพยาบาทเป็นต้น ซึ่งพระองค์ตรัดหมายเอาว่าเธอละความโลภคืออภิชาแล้วมีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชื่อว่าชําระจิตให้ผองสใยจากอภิชานะครับพระองค์ก็ตรัดถึงว่าเออจะต้องละนะนิวรณ์ทั้งห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเธอต้องละนะละอภิชาให้จิตปราศจากอภิชาละความปัททุสร้ายคือพยาบาทแล้วก็เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่ชื่อว่าชําระจิต ให้พองสายจากความปัทุสร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีอโลกสัญญานะครับมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ชื่อว่าชํมระจิตให้พองสายจากถีนมิทะใช้คําว่าละอุทธะกุกุจักได้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในชื่อว่าชํมระจิตให้พองสายจากอุทธะกุกุจัก ละความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ข้ามความสงสัยได้เป็นผู้หายสงสยัยไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าชำระ จ, จิตให้ผ่องใสาจากความสงสยัยใช้คำว่าละนะครับใช้คำว่าละนะปะหานะครับไม่ใช่คำว่าเออนี่มันเกิดขึ้นก็ดูมันนะครับโดยมากก็จะแนะนำกันอย่างเงี้ยเออสงสัยเกิดขึ้นก็ดูมันก็นแล้วกันเออไฟไม่บ้านก็ดูมันนะครับนั่นนะ เด็กจะจมน้ําตายก็ดูมันนะคร้คําว่าดูมันนี่ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าดูเฉยๆโง่เขลาบาปัญญาแบบนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าละนะถ้าใช้คําว่าละบาลีว่าปะหานะปะหานะนี่หนึ่งแต่ทางข้าปะหาน2วิคัมพนะปะหานสามสมุทเฉทาปะหาน4ี่ปฏิปัสัตทิปะหานห้า น, นิสรณะปะหานมันต้องมีอุบายมีวิธีเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นก็นั่งดูมันนอนดูมันเฉยๆนะครับ เกิดดูมันมันเป็นมายาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าไปนั่นเองก็มีนะครับเพราะว่าพระพิสุในยุคนี้นี่นะครับเวลากล่าวก็ไม่ได้ค่อยนึกเลยว่าเวลาโลภะโทสะโมหะราคะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคสอนให้จัดการยังไงก็ไม่ได้นึกถึงคําสอนเหล่านี้เลยนึกอะไรได้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับว่าไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าคําสอนนั้นๆเนี่ยส่งแสดงไว้อย่างไงนะครับ ยกตัวอย่างท่านโลภะบางอย่างมันเกิดเนี่ยนะครับปรราชิกก็ง่ายไม่ยากนะครับถ้าดูมันมันจะประราชิกแล้วเออประราชิกอะไรจริงๆอันนี้ก็หลุดจริงๆด้วยนะครับโทสะแล้วนะเอออย่างนี้เนี่ยปาณาติบาตแล้วนะเพราะะฉนั้นถ้าหากว่าไปปล่อยมันลักษณะนั่งดูแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอุบายมีวิธีการที่แก้ไขถ้าหากว่านั่งดูมันเฉยเยเนี่นะครับคําสอนว่าด้วยพระไตรปิฎกจะไม่มีเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเฉพาะวินัยปิฎกนั้นเป็นต่ทางค่าปะหารนะครับวินัยปิฎกทั้งหมดนี่เป็นต่ทางค่าปะหารพระสุตันตปิฎกเป็นวิขำพระนปะหารพิธรรมปิฎกเป็นสมุทเฉทปะหารนะครับมันเป็นปะหานะทั้ง3าประการนะครับเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนั้นเป็นอุบายเป็นวิธีการเพื่อละกิเลสละอกุศลละนิวรังทั้งหลายนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีแต่คําสอนว่าเอออะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเฉยๆเนี่นะครับพระไตยปิดกไม่ต้องแสดงเยอะนะครับแสดงน่อยๆก็พอนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ให้มันเยอะเสียงบประมาณของชาติเสียประมาณของงบประมาณแผ่นดินมหาสาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องบาเพ็ญบารมีอะไรมามากมายนะครับอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันดูมันก็พอแต่ที่ก็เวลากล่าวผมอยากจะย้าให้เห็นว่า น่าจะกล่าวตามนะครับในฐานะที่เป็นภาษาวกของพระ อ, องค์นะครับไม่ควรคิดอะไรว่าไรได้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับอยากจะนึกได้วันหลังก็บอกมันไม่ใช่นะอย่างนี้อีกวานั่งกะนั่งเดาพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาขนาดนี้เราใช้วิชากะของพระ อ, องค์อย่างเดียวเลยมันจะเกินไปเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับก็การละนิวรเหล่านั้นเนี่ยมีอย่างไรนะครับนี่พระ อ, องค์แสดงวิธีละนิวรเนี่ยละอย่างนี้นะครับ การละกามะฉันทะมีโดยการทําไว้ในใจโดยแยบคายในอสุภานิมิตต้องมีโยนิโสมนสิการโดยที่มีอสุภานิมิตเป็นอารมณ์นะครับลักษณะเนี่ยนะส่วนการเกิดขึ้นแห่งกามะฉันทะก็มีโดยการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายในสุภานิมิตนะครับถ้าจะละละกามะฉันทะละเพรา ะ, จะเจริณอสุภาษกามะฉันทะ ถ้ามันจะเกิดเพราะอโยนิโสนิอโยนิโสนสุภะนิมิตนะครับหนึ่งโลภะมันเกิดแล้วก็สายใจว่ามันงามนะครับกามาฉันท่าหรือโลภะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดอย่างไงที่เกิดแล้วมันก็จะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นส่วนถ้าจะละกามาฉันท่าก็ต้องเป็นโยนิโสมนัสการแล้วก็สายใจโดยความเป็นอสุภะนะครับอย่างนี้ก็จะถูกละไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสุภาณิมิตนะครับสุภานิมิตเนี่ยเป็นสองอย่างนะหนึ่งเป็นชื่อของโลภะสองเป็นชื่อของสิ่งที่คิดว่าสวยงามนะครับสองอย่างเนี่ยนะทั้งโลภะด้วยคือทั้งอารมณ์ของโลภะด้วยนะครับทั้งกิเลสในใจด้วยสิ่งที่กิเลส ช, ชอบด้วยเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยนะมีอยู่การทําให้มากซึ่งอะโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนั้น เป็นเหตุนำผลมาให้คือเป็นอาหารเพื่อการมาฉันทาที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพยบูรห่งการมาฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับ อ, อ, อย่างบางคนที่ที่เขาสร้างความผูกพันไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็ดีนะเขาก็ช่วยเหลื อ, อยางงั้นเรายางนี้เราเนี่ยนะครับ คือก็คิดชื่นชมในสิ่งที่เขามีกับเรานะเขาดีนะเขาปลอบอกปลอบใจเอาอกเอาใจเราเขาช่วยเหลือเรายอย่างโน้นอย่างงี้ไปหมดเลยนะเออเราก็ไม่ควรจะตัดความผูกพันอันนี้กับเขาง่ายๆนะเนี่นะก็สบคิดแบบนี้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะครับเรียกว่าเสริมสะพานนะสร้างสะพานใหญเหล็กไว้เลยนะครับติดคอนกรีตนะครับยากที่จะแก้ได้นะครับ น, นะครับจเจริญสุภาษณม เขากองงามนะงนั้นนะนะเขาก็สวยนะเงี่ยแต่คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเื่อยๆ เ, เ, เดือนนะครับบวชได้ไม่นานแน่นอนถึงจะบวชอยู่ก็มาหมักมมเต็มทนเหมือนกันการละการมฉันทะที่เกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนัสิการในสุภาพนิมิตอย่างนี้มีอยู่โดยโยนิโสมนัสิการในอสุภาพนิมิตโดยตรงกันข้ามกับอโยนิโสมนัสิการในสุภาพนิมิตนั้นนะครับ วิธีที่จะละโลภะอย่างที่ว่าเนี่ยนะต้องพลิกตรงกันข้ามหมดเลยนะครับตรงกันข้ามถ้าหากว่าอากุศลอันนั้นเนี่ยเกิดจากอโยนิโสมนัสิการก็ต้องมีโยนิโสมนัสิการที่ใส่ใจแบบสุภานิมิตโลภะจึงเกิดต้องมาใสา่ใจโดยเป็นอสุภานิมิตนะครับบรรดานิมิตทั้งสองอย่างนั้นนะครับอสุภาบ้างอสุภารม์บ้างชื่อว่าอสุภาณิมิตนะครับ บางทีคําว่าอาสุภาษนี่เป็นชื่อของอสุภาษณฌานนะครับหมายคำว่าฌานที่มีอสุภาษนั่นแหละเป็นอารมณ์นะครับนะตัวตัวกุศ ล, ลจิตนะครับที่ที่มีอ่ะคำนวนว่าไอ้กุศลธรรมที่เป็นไปกับกายคตาสตินะกุศลแบบนั้นก็เรียกว่าอาสุภาษเหมือนกันนะครับหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอสุภาษบ้างนะครับอย่างนี้ชื่อว่าอาสุภาษณิมิตการมารณสิการโดยอุบายคือ มนัสิการในทางได้แก่มนัสิการว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงบ้างนี่คือวิธีโยนิโสนะครับปกติของทั้งหลายเหล่านี้อยู่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ไปใส่ใจว่ามันไม่เที่ยงนะนะครับมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับก็ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์บ้างว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาบ้างว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งามบ้างนะครับอย่างนี้ชื่อว่าโยนิโสมนัสิการนะครับเนี่ยนะ เช่นถ้าหากว่าสายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับอย่างผมเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างผมเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นสีแบบนี้ก็มาเป็นสีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เงางามแบบนี้ก็มาดำคลับเพราะปัจจัยทั้งหลายแหละอีกไม่นานก็จะขาวไปหมดนะครับ ผมทั้งหลายก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมตั้งแต่วัยเด็กก็ม่ถึงวัยนีนะ้พอมาถึงวัยปัานนี้แล้วก็เลยไปอีกก็มันจะงอกไปเรื่อยๆ น, น, นะครับหนักๆเข้ามันค่อยหลุดค่อยร่วงไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ๊ยเมื่อก่อนนี้ผมดกมากตอนหลังไปส่องกระจกดูตกใจเลยว่าอะไรมันร่วงไปขนาดนี้แล้วนะครับยมคนเล่าให้ฟังแบบั้นเมื่อก่อนเเป็นนมๆนี่ผมดกมากว่างั้น นี่ไปส่องดูตกใจเออทําไมมันบางไปขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้จากที่เคยไม่งามไม่ดกเท่าไหร่นะครับก็ามาดกขึ้นจากดกแล้วมันก็ค่อยหลดค่อยๆร่วงไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงความแปรผันไปแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้เส้นผมเหล่านั้นเนี่ยเป็นทุกถามว่าทุกไงทุกพระไฟคือราคะเนี่ยเผานะครับทุกพระไฟคือโทสะนี่เผาทุกพระไฟคือโมหะเนี่ยเผาทุกทุกไฟคือราคะนี่ก็บโอ้โหผมเรานี่งามนะครับ เงางามดีเป็นต้นเนี่ยนะครับไฟคือราคะเผาก็ทำให้แสวงหาพวกยาส่ยายย้อมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับด้วยจิตที่เป็นไปกับอกุศลตลอดเนี่ยนะถูกไฟคือโทสะเนี่ยเผาทามีปัญหานี้นิดหน่อ ย, อ ย, อ ย, อยก็วิตกกังวลเนี่ยนะครับเสียอกเสียใจกลัดกลุ้มใจก็อาศัยผมนั่นแหลวเคยเห็นอเอเอเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธมีไหมครับถ้าไม่มีนั่นแหละโมหะทั้งนั้นนะครับ เจสานิโรธคาไม่มีปฏิปทาไม่มีเลยก็โมหะถูกไฟคือโมหะเนี่ยเผาไฟคือชาติเนี่ยเผานะครับไฟคือชราก็เผาผมนี่แหละไฟคือความเกิดก็เผาไฟคือความแก่ก็เผาไฟคือความเจ็บขไข้ก็เผาแม้กระทั่งไฟคือความตายก็เผาไฟคือโศกะปริเทวะทุกขโทมันนั่นอุปายาตก็อาศัยเส้นผมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับ ก็ถูกไฟคือราคะเป็นต้นเนี่ยแผดเผาแล้วก็เป็นอนัตตานะเพราะว่าทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์อย่างนี้ด้วยมันจะเป็นอัตตามาจากไหนนะครับมันจึงไม่ใช่ใครสักอย่างแต่มันก็เป็นของจริงจริงชนิดหนึ่งแต่ความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นความจริงที่หาแกนสารสาระไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่งามนะครับไม่เชื่อปองผมเสร็จก็มาคลุกเคล้ากับอาหารฉันดูนะครับอะไรขนาดไหนนะเนี่ยกายจะปองผมแล้วก็ปอ ง, งแล้วมาคลุกๆลุกคุกอาหารฉันเนี่ยนะฉันไม่ลงแน่นอนนะครับ แ, แค่เวลาโกนหลุดออกมาจากหัวมาเปือเป่อนแขนเปืออเป้อนขาเปื้อนสะบงเปื้อนจีวรเปื่อนอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันก็รีบสะบัดออกไปนะครับหรือไม่ก็ไปร้านตัดผมก็เห็นเนี่ยโอยความปฏิกูลนั่นนะครับพรันถ้าหากว่าโยนิโสมนัสิการคิดแบ บ, แ, บบแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้นะครับใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆคือเราว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าไม่คิดแบบนี้เรียกว่าคนเกียรขิ้านนะครับเพรานจะต้องมันนึกคิดแบบนี้ให้มากๆน้อมจิตให้เป็นแบบนี้ไปมากๆ เมื่อให้มนสิการนั้นเป็นไปมากครั้งในนิมิตนั้นย่อมละกามะฉันทะได้นะครับที่แต่เรื่องแบบนี้มากมมากมมากเนี่นะครับก็ละกามะฉันทะได้ไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะขนก็เหมือนกันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่นะครับเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมาคิดให้เยอะๆนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดู ก, ก่อนมีอยู่ภิกษุทั้งหลายอสุภานิมิต การทําให้มากซึ่งโยนิสโสมนัสิการในอสุภานิมิตนั้นนี้เป็นเหตุนําผลมาคือเป็นอาหารปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งการมฉันทาที่ยังไม่เกิดบ้างเพื่อละการมฉันทาที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นอุบายจริงๆนะครับเพื่อกําจัดราคานะครับถ้าหากว่าสังเกตฟังดูวิธีนี้แล้วนะครับ จะดูว่าทฤษฎีที่ว่าดูมันเนี่ยไม่มีเลยนะครับใ น, ในสูตรในคําสอนนี้ไม่มีเลยนะครับแต่บางทีก็เอานิวรณ์บัพเะในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสูตรมาพูดก็พูดไม่จบนะครับผู้ก็เออเมื่อการมาฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดไอ้ว่าประชานะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญานะครับรู้ชัดเนี่ยน ะ, นะเมื่อการมาฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดนะครับ รู้ว่าไงรู้ว่าไฟกําลังไหม้บ้านแล้วนะครับอันนี้รู้ชัดเนี่ยนะถ้าสํานวนชาวโลกทั่วไปเขบอกว่าไฟจะไหม้บ้านนี่เขารู้เลยอะไรจะเสียหายขึ้นบั่งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าบอกว่าการมฉันท่านิโวนเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ชัดเมื่อการมาฉันท่านิวโวนไม่มีอยู่ณนภะายในจิตก็รู้ชัดอ น, นี้คุณมหาสารใช่ไหมครับเหมือนกับไม่ถูกไฟไหม้บ้านนะนะการมฉันท่าที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดนะ หมายความว่าถ้าใส่ใจแบบนี้นะกามาฉันทจะเกิดเหมือนกันหน้านี้หน้าหนาวใช่ไหมครับทางราชการโดยมากเขาจะแนะนําให้เรื่องระวงังเรื่องไฟทั้งหลายแหล่นี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเป็นเหตุอะไรครับถ้าลมมาแล้วจุดไฟผิงไฟเนี่ยนะครับดีไม่ดีไม่แขนไหค้าลูกล้านหนั ก, นกๆเขาอาจจะไหมบ้านไหมช่องเป็นต้นเนี่ยนะ เ, เ, นเขาจะจะแนะนํานะถ้าไฟไมันจะไหมเนี่ยระวังให้ดีนะรู้ชัดเอาไว้ป้องกันเอาไว้นะครับ ทีนี้ถ้ามันเกิดไฟไหม้นะครับจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าการมาฉันถ้อันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้ว่จะละได้ยังไงก็รู้ชัดนะครับที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดและพิจารณาการมฉันถ้าอันนี้เป็นภายในตัวบ้างนะครับภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมนะครับเห็นทั้งความเกิดเห็นความเสื่อมนะครับ ต่อไปว่าธรรมะสำหรับละกามฉันทะนมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับธรรมะหประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามะฉันทะคือ 1. การเรียนอวาาสุภนิมิตสการประกอบความเพียรนเนืองๆในการเจริญอสุภะภาวนา 3. ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. เป็นผู้รู้ประมาณในโพชนะ 5. เป็นผู้มีกลยานมิตร6ก นะถ้อยคําที่เป็นสปายะนะครับในชั้นแรกก็บอกว่าผู้ที่กําลังเรียนอสุภาษณิมิต10อย่างอยู่ย่อมละกามาฉันทะได้ในชั้นต้นก็คือเอาเนี่ยแหละครับเอาอสุภากาถาในวิสุทธิมรรคมาอ่านบ่อยๆอย่อานมากักๆนะครับลักษณะนี่นะก็ขณะที่อ่านสะสมข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นวิธีละอสุภาษณ์นะละกาณฉันทะระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นตทางคะ นะเก็บข้อมูลสะสมเอาไว้หรือเอาภาพอสุภาพมาดูให้มากๆเรียกว่ากําลังเจริญอสุภาพนิมิตอยู่ก็ละได้นะครับเอาภาพอสุภาพทั้งหลายมาเจริญมาปฏิบัติตามข้อที่ศึกษามาอันนี้ก็ละกามาฉันทะได้หรือปิดทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ละได้นะครับนะครับถ้าหากว่าพูดถึงวิธีการปิดทวานเนี่ยนะครับก็ดูในอินเดียภาวนาสูตรนะครับในมัชฌิมนิการสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายของ มัชฌิมานิกายอุปริปนาฏครับมันกานั้นก็ดูวิธีที่ฝึกอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สํารวมทวารในอินรีย์ทั้งหลายชั้นต้นก็สํารวมแบบพระวินัยก่อนนะครับอย่าดูเป็นต้นนะครับอย่างที่พระนนทามเออถ้าถ้าเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะพระองค์ให้ปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงหลังนั้นเถอะพระองค์บอกว่าอย่าดูน ะ, ะถ้าจําเป็นต้องเห็นล่ ะ, ะดูกับเห็ น, นอันเดียวกันอย่าเห็นเออถ้าจําเป็นต้องเห็นล่ะ บออย่าคุยด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะครับเป็นปูนแม่ก็ว่าแม่ไปเป็นปูนพี่ก็ว่าพี่เป็นปูนน้องก็ว่าน้องป้านาอาก็ว่าป้าน้าอาอันนี้สมณะสัญญาอันนี้ให้มีขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็อสุภะกรรมาฐานเป็นต้นเอาให้มากๆนะครับแต่ในชั้นต้นนะครับตัดไฟแต่ต้นลมซะนะครับเป็นไปได้ก็อย่าเห็นกันเลยนะครับอย่าโทรศัพท์ไปหากันมากนักนะครับลักษณะนั้นนะครับ ได้ยินคําว่าเห็นคนปูนแม่เราก็ถือว่าเป็นแม่เราก็เรียกว่าโยมแม่ซะเลย อ, อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปในกูหานาศูนเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่าแหมโยแม่อย่างนั้นโยมป้าอย่างนี้ก็กลายเป็นหลอกลวงคือก็คนละในกันนะครับอยู่ที่จิตใช่ไหมคล้ายๆสมณะสัญญานะครับก็ไม่ต้องไปประจบประแจว่าแม่ว่าอย่างนั้นอย่างงี้หรอกครับแต่หมายความว่าใส่มนสิการ์าเขานี่เหมือนแม่เรานะนะครับ ก็เหมือนกับผู้หญิงบางคนที่เขาเห็นพระเนี่ยเขามองเขาคิดเหมือนลูกเราอ่ะเขาคิดแบบนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เรียกว่าลูกนะพระลูกอะไรเขาไม่เรียกครับก็เรียกครูบาอาจารย์เรียกพระเรียกเนนเรียกอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่เขาก็เขาคิดเหมือนกับเขากาลังคุยกับลูกเขาอยู่นะครับเออนะผู้หญิงบางคนก็เกี่ยวข้องกับพระเพราะเขาคิดแบบนี้นะครับเออขนาดผมเองเนี่ยโยมหลายคนเขาก็พูดอย่างนั้นอ่ะก็ท่านกับรุ่นลูกนั่นแหละถ้าคุยเรื่องธรรมนาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะนะ เขาจะพูดแวบให้ให้เรารู้ทันทีว่าเขาคิดกับเราเหมือนคิดกับลูกอยู่คล้ายๆแบบนั้นนะครับเออแล้วก็ทําให้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมณะทั้งหลายก็ควรคิดในลักษณะนี้เขาปูนแม่เหมือนกับคิดว่าเป็นแม่นั่นแหละปูนพี่สาวปูนน้องสาวก็ควรจะคิดแบบนั้นไปนะครับเรียกว่าเอาแบบโลกกับปารธรรมโอตะปะให้มันเกิดขึ้นบ้างนะครับ นะเพื่อที่จะได้ปารพศีลให้ดีขึ้นนะถ้าจะให้ลึกซึ้งก็สมถาวิปัสสนานั่นเองนะครับให้ป น, นีดลึกซึ้งเข้าไปอีกผู้รู้ประมาณในการฉันอาหารเพราะความเป็นผู้มีปกติยังอัตภาพให้เป็นไปได้โดยดื่มน้ำก่อนนะครับทั้งๆ ท, ที่ยังมีโอกาสจะฉันได้อีก 4-5 คําคำก็ละการ ม, มาฉันทะได้อย่างที่พระสารีบุตรแนะนำมาไว้ว่าควรงดฉันข้าวห้าคไว้ แล้วดื่มน้ําก็เพียงพอเพื่อจะอยู่อย่างสบายสําหรับพิสูจนผู้มีใจเด็ดเดี่ยวนะครับในสารีปุตตะเถระคาถานะครับอธิบายไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการรู้จักประมาณในโภชนะนะครับดูนะครับอาหารพิจารณาเอาว่าอาหารไหนสแสดงต่อโลภะมากคือนะครับทําไมจึงว่าสแสดงต่อโลภะคืออาหารบางอย่างนะครับเกื้อกูลต่อความกําหนัดนะครับ อาหารบางอย่างเนี่ยทาให้สุขภาพบางอย่างเนี่ยทำให้คิดกำลังง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณานะครับเช่นอาหารประเภทเนื้อเนย น, นมไข่ทั้งหลายแล่เนี่ยนะครับถ้าบริโภคมากๆนมทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีโพชนเนมตันยูตาเนี่ยนะครับฉันทีงเห็นก็ถวายมาสิบกล่องแล้วชันไปเลยห้ากล่องอย่างนี้ก็ระวังคือ น, นั่นเตรียมสักสบงเลยทีนี้นต่อไปนะครับว่า ผู้กำลังคบหาการยานามิตรเช่นกับพระติสเถระนะครับผู้เจริญอสุภกรรมฐานก็ละก ร, รมฉันทะได้นะครับจะคบกับพระเถระที่เจริญอสุภามากๆนะครับไปท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องผีคอขาดอย่างเงี้ยนะครับเล่าเรื่องนอนมันชอนชัยที่ศีรษะบั้งที่หัวบั้งนะครับนะก็มสมัยก่อนเขาฟังเข้าใจทันทีเลยนะครับสมัยนี้เขานึกไม่ออกกันนะนะว่าท่านก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องโห้ย จังงโน้เออแต่ผมนี่เกี่ยวข้องกับนึกถึงหมอวันลบเนี่ยก็ดีงันหมอเขาจะเล่าเรื่องโรคแต่ละอย่างนะครับเขามาที่ไรเขาจะเล่าเรื่องโรคแต่ละอย่างให้ฟังไม่ค่อยซ้ําๆกันเท่าไหร่เช่นโรคตับโรคไตโรคอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะครับโรคมะเร็งตรงนั้นโรคมะเร็งตรงนี้ระยะโนนระยะนี้เป็นต้นนะครับเออฟังดีนั่นกันนะัฟังแล้วก็ทําเกื้อกูลต่อการเจริญธรรมะเพื่อละกามาฉันทะนะครับเช่นโอ้ท่าตับนี่นะถ้ามันเป็นมะเร็งเท่านี้ตัดออกกี่เซนกี่เซนอย่างเงี้ยนะครับ นีนะมันโรคมันต้องใช้เคมีบำบัดอย่างนน้นอย่างงี้นะครับเออฟังแล้วมันก็ทำให้เห็นรังของโรคโขนาดนี้เลยเลยนะครับต่อไปก็ละได้ด้วยคาถาที่เป็นส ป, ปายะอาศัยอสุภาสิในสถานที่ยืนและที่นั่งเป็นต้นนะครับก็ส ป, ปายะคาถานะครับเช่นเอาเรื่องอสุภามาสาธยายบ่อยๆก็ได้นะครับ ถ้ามีเพื่อนสนทนาเรื่องอสุภะถึงเรื่องซากศพทั้งหลายแลนี้ก็สนทนาถ้าไม่มีใครสนทนาด้วยก็ทรงจำพระสูตรนะครับอธิมาสมิงกาเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังเงีงมาสาธยายสาธยายแล้วค่อยๆนืกตามด้วยนะครับพิจารณาตามด้วยนะครับ เอาอย่างงี้รอบแล้วรอบเล่า ร, รอบแล้วรอบเล่าไม่เสียเวลาครับเพราะว่าโยมเขาส่งเสริมใส่บาตให้ฉันเพื่อมาเจริญแบบนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเวลาเออเจริญมากไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะถ้าเจริญอย่างนี้ก็เป็นนาบุญให้โยมเขาได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าชุ่มไปด้วยโอ้โหผมก็งามเล็บก็งามฝันก็งามอย่างงี้นะครับดูท่าโยมเขาได้บุญไม่มากหครับถ้าใส่บาตให้พระแบบนั้นฉันนะครับเพราะฉะนั้นเจริญมากๆไม่เสียหายแน่นอครับอเนี้ พันธะมรรคนี้ก็เป็นไปเพื่อละกามฉันทานิวอนส่วนการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทนะครับมีโดยอโยนิโสมานสิการในาปฏิคานิมิตปฏิคานั่นแหละชื่อว่าปฏิคานิมิตในคําว่าปฏิคานิมิตเตอโยนิโสมานสิกาเรนะนั้นแม้ปฏิคารมก็คือปฏิคานิมิตเหมือนกันนะครับก็มี2 อ, อย่างนะครับนึกถึงความโกรธที่มีอยู่นะ ตัวความโกรธเนี่ยก็เรียกว่าปฏิฆานิมิตเหมือนกันสิ่งที่น่าโกรธเนี่ยนะครับอารมณ์ที่น่าโกรธทั้งหลายก็ชื่อว่าปฏิฆานิมิตนะนั้นคําว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยเป็นทั้ง2 อ, อย่างนะครับคือสิ่งที่น่ารังเกียจนะสิ่งที่น่าโกรธนะนะกับตัวความโกรธของเราเองนะครับอันถ้าหากว่าใส่ใจในลักษณะนี้บ่อยๆโทสะที่ยังไม่เกิดก็ก็จะเกิดขึ้นนะครับโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกําเริบเสรฟสารมากขึ้นมากขึ้น เช่นมันน่ากโกรธจริงๆอ่ะนะคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เชื้อแล้วครับมันซุ่มซ่ามอ่ะนะไงมันทํางานเล้วไหลอ่ะนะครับนะคิดถึงคนที่เราไม่ชอบอ่ะนะมันพูดอย่างนั้นได้ยังไงนะครับทําอย่างนั้นได้ยังไงนะคิดแต่ไอาอาการแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆนะครับโทรศัพท์เดี๋ยวจะตึงอิดตึงอิดตึงอิดตึงอิดเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะครับหรือว่า เหตุการณ์ใดๆที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเหตุการณ์นั้นๆหยิบเอามาคิดเรื่อยๆเ <ๆๆ S 2> ื่อยๆจะโทสะจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเพาะเชื่อโทสะก็แบบนี้นะครับหาอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาคิดส่วนอยโยนิสโสมนัสิการก็คื อ, คอทําไว้ในใจโดยไม่เยกภายในปฏิฆานิมิตซึ่งมีลักษณะเดียวกันในที่ทุกแห่งทีเดียวนะครับพยาบาทย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ให้อยโยนิสโสมนัสิการเป็นไปมากครั้งในนิมิตนั้น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไปว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายปฏิฆานิมิตการทําให้มากซึ่งอโยนิสโสมนสัสการในปฏิฆานิมิตนั้นเป็นอาหารปัจจัยคือเหตุนํามาเพื่อการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความภัยบู์แห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับส่งเสริมเนี่ยนะเอาประเภทนี้มาคิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้านะ คิดถึงความผิดความพลาดความไม่ดีของคนทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามีส่วนเลวส่วนไหนก็หยิบมาคิดให้มากๆากอ่ะนะโทสะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระดมมาเรื่อยๆๆ ๆ, ๆ, ๆนะครับส่วนผู้ทําไว้ในใจโดยแยบคลายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตต์ก็จะมีการละพยาบาทได้นะครับโดยการเจริญเมตตาหรือเมตตาชานเนี่ยนะครับคําว่าเมตตาและเจโตวิมุตต์นั้น เมื่อกล่าควคาว่าเมตตาก็ใช้ได้ทั้งอุปจาระและอัปปนานะครับแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่การเจริญเมตตาเป็นต้นก็ชื่อว่าอุอปจาระเนี่ยนะครับเจริญจนได้ฌานเรียกว่าอัปปนาแต่เมื่อกล่าวว่าเจโตวิมุตใช้ใช้ได้เฉพาะอัปปนาเท่านั้นนะครับที่ไหนมีคำว่าเจโตวิมุตเช่นเมตตาเจโตวิมุตเนี่ยนะครับคำนี้เป็นชื่อของฌานที่เป็นไปกับเมตตานะครับ กรุณาเจโตวิมุตต์เหมือนกันก็เป็นฌานอย่างเดียวนะครับที่ไหนมีเจโตวิมุตต์คานั้นแปลว่าฌานอย่างเดียวแต่ถ้าเมตตาเฉยๆเนี่ยเป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาคือเป็นทั้งเบื้องต้นและระดับฌานนะครับโยนิโสมนัสิการมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะครับเมื่อให้โยนิโสมนัสิการนั้นเป็นไปมากครั้งในเมตานั้นก็จะละพยาบาทได้นะครับก็คือสะสมเมตตาแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อเมตตาเนี่ยนะ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตต์การทําไว้ในใจให้มากโดยอุบายอันแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตต์นั้นนี้เป็นอาหารปัจจัยคือเป็นเหตุนํามาเพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับเนี่ยนะเพราะนั้นเมตตานะครับคิดถึงสุขิปิยมนาประศัพท์นะครับ เขามีส่วนดีส่วนไหนก็ น, นึกถึงแต่ส่วนดีของเขานะครับก็โทสะที่เกิดก็จะค่อยๆระ ง, งับไปนะครับขอการนะครับรู้สึกว่าเวลาที่ไปนึกนบาทีเห็นเขาแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไปเห็นจัดความผิดของเขาไอา้สิ่งดีๆของเขามัค่อยอยากไปมองกันนะไอ้ตรงไหนที่เขาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไปสั่งสมเขาก็เลย ทวีคูณวันนี้ก็สั่งสมโทษตรงนี้ไว้ตรงนู้นก็สั่งสมอนใหม่อีกทำไปมาเขเป็นคนหน้ารังเกียจไปสกปรกใจเราก็ ร, า ร, ร้อนก็กลายนะเป็นคนเลวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสะสมไอ้ความเลวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิดถึงแต่คนเลวนะครับมีแต่คนเลวอยู่ในหัวใจแสดงว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับเห็นไหทีนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกในส่วนดีเข้านะครับ เกี่ยว่าพฤติกรรมเลือกมองแยกเขามีส่วนดีใดเขาดีทางกายก็เอาแต่ทางกายเขาดีทางวาจาก็เอาทางวาจาเขาดีทางใจก็ควรที่จะเอาดีทางใจแต่เขาให้รู้เถอะว่าถ้าคนชั่วมไม่ควรคลุกคลีนะครับเนี่ยนะการพิจารณาเพื่อไม่ให้โทสะเกิดแล้วก็นึกเขาเออเขาดีส่วนนี้นะคลุกคลีกับคนเลวไปนี่ใช้ไม่ได้นะครับอ่า น, นะพิจารณาเพื่อไม่ให้โทสะเกิดกับพิจารณาเพื่อการเกี่ยวข้องคนละนายกันนะครับ เ, นะเพื่อส่งเสริมไม่ให้อากุศลจิตเกิดกับการไปคลุกคลีกับคนพานในคนละนายกัน